โกทวัคหมวดว่าด้วยความโกรธหนึ่งโรหินีคติยะกัญญาวัตถุเรื่องเจ้าหญิงโรหินีพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่เจ้าหญิงโรหินีดังนี้บุคคลควรละความโกรธสละมานะเก้าล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างความทุกย่อมไม่รุมเรา้าคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูป ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 2. อ, อัญญะตะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เทวดาดังนี้ผู้ใดอดกลั้นความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนในสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นอยู่ได้เราเรียกผู้นั้นว่าในสารถีคนนอกจากนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกเท่านั้น สาอุตราอุปสิกาวัตถุเรื่องนางอุตราอุาสิกาพระผู้มีพระภาคทรงชมเชยนางอุตราที่อดกลั้นความกโกรธต่อ น, นางสิริมาจึงตรัสพระคาทานี้แก่นางอุตราดังนี้บุคคลพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให พึงชนะคนพูดหลอดแล่ด้วยคำสัตว์ 4. มหาโมคคลานเถระปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาของพระมหาโมคลานเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่พระมหาโมคคลานเถระดังนี้บุคคลควรพูดคำจริงไม่ควรโกรธแม้เขาขอเพียงเล็กน้อยก็ควรให้ด้วยเหตุสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลพึงไปเทวโลกได้ 5. ภิพิคูหิบุตตปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มุนีผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมกายอยู่เป็นนิดย่อมไปสู่ที่ที่ไม่จุติที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก 6. ปุณณธาสีวัตถุเรื่องนางปุณณธาสีพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานี้แก่นางทากของเศรษฐีชาวกรุงราชครึ้ชื่อปุณนาดังนี้สำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลามันศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมจิตเข้าหานิพพานอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ 7. อาตุลอุบาสกะวัตถุเรื่องอาตุลอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แกอ่อตุลอุบาสกพร้อมบริวารห้ารคนดังนี้อาตุลเอ๋ยการนินทาและสรรเสริญนี้มีมานานแล้วมิใช่เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นคนนั่งอยู่เฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากเขาก็นินทา แม้คนพูดน้อยเขากนนินทาไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่ถูกนินทาทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทายอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวแต่วินยูชนพิจารณาทุกวันทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ดำเนินชีวิตหาข้อตำหนิไมิได้ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาและศีลมั่นคง ใครเล่าจะควรตำหนิผู้นั้นผู้เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชผู้เช่นนั้นแม้เทวดาและมนุษย์ก็ชื่นชมถึงพรหมก็สรรเสริญ 8. ฉับพักคียะพิขุวัตุเรื่องพระฉับพักคีพระผู้มีประภาคตรพระคาถานี้แก่พระฉับพักคีดังนี้บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางกาย พึงสำรวมกายและกายทุจริตแล้วพึงประพฤติกายสุจริตบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงสำรวมวาจาละวจีทุจริตแล้วพึงประพฤติวจีสุจริตบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางใจพึงสำรวมใจและมโนทุจริตแล้วพึงประพฤติมโนสุจริตนักปราช ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจชื่อว่าเป็นผู้สำรวมดีแท้โกทวักที่17จบ 18. มละวักหมวดว่าด้วย มนทินทางใจ 1. โคคาตะกะบุตรวัตถุเรื่องบุตรของคนฆ่าโคพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เท่าดังนี้บัดนี้ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองทั้งยมมูตมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปาาแห่งความเสื่อม และแม้แต่สเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลยท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมุลทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วเตรียมจะไปสำนักพระยายมที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มี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 พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้ทำกุศลอยู่บ่อยๆดังนี้ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองฉะนั้น 3. ติสสะเทระวะัตถุเรื่องพระติสสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ สนิมเกิดขึ้นจากเหล็กครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วงโทนาไปสู่ทุกติชันนั้น 4. โลลุทายีวัตถุเรื่องพระโลลุทายีพระผู้มีพระภาคทรงปราร พ, พระโลลุทายีผู้เล่าเรียนธรรมเพียงเล็กน้อยและไม่ท่องบน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 พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่กุลบุตรคนหนึ่งซึ่งมีพัญญามากนอกใจดังนี้สตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมลทินผู้ให้มีความตรณีเป็นมลทินบาป ร, รเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมลทินนั้นให้ได้ แล้วเป็นอยู่อย่างผู้ปราศจากมนทินเถิด 6. จูละสาริพิกขุวัตุเรื่องจูละสารีพิกขุพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระจูละสารีผู้เป็นหมอปรุงยาให้ชาวบ้านเพื่อแลกกับโภชนะจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีความละอายกล้าเหมือนกา ชอบทำลายคนอื่นชอบเอาหน้ามีความขนองมีพฤติกรรมสกปรกเป็นอยู่สบายส่วนผู้มีความละอายสแสวงหาความบริสุทธิ์เป็นนิดไม่เกียดตคร้านไม่มีความขนองมีอาชีพบริสุทธิ์และมีปัญญาเป็นอยู่ลำบาก 7. ปัญจอุปาสกาวัตถุเรื่องอุบาสกห้าคน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่อุบาสกห้าคนดังนี้นรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้กับพัญญาของผู้อื่นผู้เท็จและหมกมุ่นในการเดิมสุราและเมรยัยนรชนนั้นชื่อว่าขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้ท่านผู้เจริญขอท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้มีบาปทาทั้งหลายมักไม่สารวม ขอโลภะและอธรรมอย่าย่ำยีท่านให้เป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลย 8. ติสะทะหระวัตถุเรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสะพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระติสะที่ยวติเตียนทานของคนอื่นจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลย่อมไม่ทานตามความเชื่อตามความเลื่อมใส ภิกษุไม่พอใจในข้าวและน้ำที่เป็นทานของคนื่นนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนส่วนภิกษุผู้ตัดอกุศ ล, ลจิตนี้ได้ถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วย่อมบรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืน 9. ปัญจอุปาสกะวัตถุเรื่องอุบาสกห้าคน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคฐถานี้แก่อุบาสกคนหนึ่งในจำนวนห้าคนดังนี้ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี 10. เมนทะกะเศรษฐิวัตถุเรื่องเมนทะกะเศรษฐี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่เมนทะกะเศรษฐีดังนี้โทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่นเหมือนคนโปรยกแกลบบแต่กลับปกปิดโทษของตนไว้เหมือนพรานนกปกปิดร่างพรางกายตนไว้ฉะนั้น 11. อุชาณสัญญิเทระวัตถุเรื่อง พระอุชาณสัญญีเทระพระผู้มีพระภาคทรงปราร พ, พระอุชาณสัญญีผู้เที่ยวจับผิดภิกษุจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ที่คอยแต่สอสายหาโทษคนอื่นคอยเพ่งโทษอยู่เนืองนิดจะมีอาสวะพ่อพูนยิ่งขึ้นและห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้12 สุพัทธปริพาชกวัตุเรื่องสุพัทธปริพาชกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของสุพัทธปริพาชกดังนี้ไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมูสัตว์เป็นผู้ยินดีในประปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีประปัญจธรรมไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอก ไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความวันไหวมละวักที่18จบ 9. ธรรมัทวักหมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรม 1. วินิจยะมหามัตตวัตถุเรื่องมหาอมารผู้พิพากษาภิกษุทั้งหลายเห็นมหาอมารผู้พิพากษารับสินบนแล้วตัดสินคดีจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสพระคาถาดังนี้ผู้ที่ตัดสินคดีโดยผลีพลามไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจัยคดี เทห่งคดีทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงทั้งสองพิภาคษาผู้อื่นโดยไม่ผลีพลามโดยเที่ยงธรรมโดยสม่ำเสมอผู้มีปัญญามีธรรมคุ้มครองนั้นเราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม 2. ชฉพักคิยะวัตถุเรื่องพระฉพักคีพระผู้มีประภาคตรพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพียงเพราะพูดมากแต่ผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต 3. เอกุทานะขีนาส ว, วัตถุเรื่องพระเอกุทานะขีนาศพพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปดังนี้ บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพียงเพราะพูดมากส่วนผู้ใดได้สดับตรับฟังธรรมน้อยแต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกายทั้งไม่ประมาะทธรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรม 4. ละกุณณตกะพัทธิเทระวะัตถุเรื่องพร ะ, ะกุณณตกะพัทธิเทระ พระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ป่าสาสิบรูปที่เห็นพระละกุณะทักกะพัติยะเทระรูปร่างเล็กเหมือนสามเณรดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพียงเพราะมีผมงอกผู้ที่แก่แต่ไวเท่านั้นเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้มีสัจจะมีธรรมมีอหิงสาสัญญะและธรรมะคายมนทินได้แล้ว เป็นปราดชื่อว่าเทระ 5. ส้สามพหุละพิกขุวัตุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่พูดจาคล่องแคล่วดังนี้เพราะเหตุเพียงการพูดจาคล่องแคล่วหรือเพราะมีผิวพรรณงดงามแต่ยังมีความริษยาตรณีและโอ้อวดบุคคลก็หาชื่อว่าคนดีได้ไม่ ส่วนผู้ตัดความริษยาเป็นต้นนี้ได้ถอนขึ้นทําให้รากขาดแล้วคลายโทษได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาจึงจะชื่อว่าคนดี 6. หัตถกะวัตถุเรื่องหัตถกะภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระหัตถกะผู้พูดจาหล่ะและดังนี้ผู้ไม่มีวัตผู้จาหล่ะและ แม้มีศีรษะโลน้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะผู้เต็มไปด้วยความปรารถนาและความอยากได้จะเป็นสมณะได้อย่างไรส่วนผู้ใดระ ง, งับบาปน้อยใหญ่ลงได้โดยสิ้นเชิงและเพราะเหตุที่ระ ง, งับบาปทั้งหลายได้นี้เองเขาจึงเรียกผู้นั้นว่าสมณะ 7. อัญญะตะพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง พราม์คนหนึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเที่ยวบินธบาตอย่างภิกษุวันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประสงค์จะให้พระองค์ตรัสเรียกว่าภิกษุพระองค์จึงตรัสพระคถาดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพียงเพราะขอจากผู้อื่นเท่านั้นทั้งไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะยังสมาทานธรรมที่เป็นพิษอยู่ในศาสนานี้ ผู้ที่ลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกด้วยปัญญาจึงจะชื่อว่าภิกษุ 8. ติทยวัตถุเรื่องเดรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลโง่เขลาไม่รู้อะไรเพียงแต่นั่งนิ่งๆหาชื่อว่าเป็นมูนีไม่ส่วนบุคคลผู้ฉลาด เลือกช่างเอาแต่สิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ชั่วเหมือนบุคคลช่างสิ่งของจึงจะชื่อว่ามุนีแท้ผู้ที่รู้โลกทั้งสองก็เรียกว่ามุนีเช่นกัน 9. อริยะพาลิสิกะวัตถุเรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะพระผู้มีพระภาคตรถามชื่อในพรานเบ็ดในพรานเบ็ดทูลตอบว่าชื่ออริย พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระคาถานี้แก่เขาดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะยังเบียดเบียนสัตว์อยู่แต่ชื่อว่าอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง 10. สามภหุละศีลาทิสัมปั น, นะภิขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นหลายรูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุด้วยเหตุเพียงมีศีลและวัดแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยการได้สมาธิหรือด้วยการนอนในที่สงัดหรือด้วยการรู้ประจักษ์ว่าเราได้สัมผัสเนคข ม, มสัสสุที่ปุถุชนไม่เคยได้สัมผัสแต่ถ้าเธอยังไม่บรรลุความสิ้นอาสวะก็อย่าไว้วางใจ ธรรมัฏฐวร์ที่19จบ20มรรควรรคหมวดว่าด้วยมรรค1ปัญจสตัตตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุห้ารอรูปดังนี้บรรดามรรคมรรมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะอริยสัจสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมวิราคธรรมประเสริฐที่สุดบรรดาสัตสองเท้าตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะคือทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ทางอื่น เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงดําเนินไปตามทางนี้แลเพราะทางนี้เป็นทางลวงมานให้หลงด้วยว่าเธอทั้งหลายดําเนินไปตามทางนี้แล้วจกทำที่สุดแห่งทุกได้เรารู้วิธีถอนลูกสรคือกิเลสแล้วจึงชี้บอกทางนี้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรทำความเพียรเองเถิดตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น ผู้บำเพ็ญภาวนาดำเนินตามทางนี้แล้วเพ่งพินิจอยู่จกพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้ 2. อ, อนณิจจลักษณะวัตถุเรื่องอณิจจลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุก นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ 3. ทุกคลักษณะวัตถุเรื่องทุคลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ส อนัตตลักษณะวัตถุเรื่องอนัตต ล, ลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ประธานกรรมิกติสะเทรวัตถุเรื่อง พระประธานกรรมิกติสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่ไม่ขยันในเวลาที่ควรขยันทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวมีกำลังแต่กลับเกียจคร้านมีความคิดฝ่ายต่ำปราศจากความเพียรเกียจคร้านมากย่อมไม่ประสบทางด้วยปัญญา 6. สูกระเปตวัตถุ เรื่องสูกรเปรตพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลพึงรักษาวาจาพึงสำรวมใจและไม่พึงทำความชั่วทางกายพึงชำระกรรมบททั้งสามประการนี้ให้หมดจดจะพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าประกาศไวเจโปธิละเทรวัตถุเรื่องพระโปธิละเทระ พระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่โปธิละเถระดังนี้ปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้น8ปดสามภูรละมหาละกะพิขุวัตุเรื่อง ภิกษุแก่หลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดจากป่าเธอทั้งหลายครั้นตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจะเป็นผู้ไม่มีป่าอยู่เถิดตราบใดผู้หุษยังไม่ตัดหมู่ไม้ในป่าแม้เพียงเล็กน้อยในสตรีทั้งหลาย ตราบนั้นเขาย่อมมีใจผูกพันเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในแม่โคฉะนั้น 9. สารีบุตรเถระสัตวิหาริกะวัตถุเรื่องสัตวิหาริกของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรดังนี้เธอจงตัดความรักในตน เหมือนตัดดอกบัวที่เกิดในสาธรการจงเพิ่มภูณทางแห่งสันติเท่านั้นเพราะพระสุคตเจ้าแสดงนิพพานไว้แล้วสิบมหาธนวานิชวัตถุเรื่องพ่อค้ามีรับมากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พ่อค้าผ้าที่พักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดังนี้คนพานมักคิดเช่นนี้ว่า เราจกอยู่ที่นี่ตลอดฤดูฝนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อนชื่อว่าย่อมไม่รู้อันตรายที่จะมาถึงตน11กิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่นางกิสาโคตมีดังนี้ น, นราชนผู้มัวเมาในบุตรและประสุสัตมีใจเกี่ยวข้องในอารมณ์ต่างๆย่อมถูกมรตยูคร่าไปเหมือนชาวบ้านผู้หลับไหลถูกคลวงนน้ำพัดพาไปฉะนั้น 12. ปตาจาราวัตถุเรื่องนางปตาจาราพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นางปตาจาราดังนี้บุคคลเมื่อถึงคราวจะตาย บุตทั้งหลายก็ต้านทานไว้ไม่ได้บิดาก็ต้านทานไว้ไม่ได้พวกพ้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้แม้ญาติพี่น้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้บัณฑิตผู้สำรวมในศีลรู้ความจริงนี้แล้วพึงรีบเร่งชำระทางอันจะนำไปสู่นิพพานมขวัติี่สิบจบ 21. ปกินนักกะวักหมวดว่าด้วยเรื่องเบตเตเล็ห 1. อัตโนปภักกรร ม, มวัตถุเรื่องบุภกรรมของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชพึงเสียสละสุขอันเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่ 2. กุกุตันทขาธิกาวัตถุเรื่องกุมาริกากินไข่ไก่พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางยักษินีและนางกุลธิดาดังนี้ผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนด้วยการก่อทุกข์ให้คนอื่นผู้นั้นต้องเกี่ยวพันกับเวรไม่พ้นจากเวรไปได้ สามพัทยภิกขุวัตุเรื่องภิกษุชาวเมืองพัทยะพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พิกษุชาวเมืองพัทยะผู้ขนขวายในการประดับเขียงเท้าดังนี้ภิกษุเหล่าใดละทิ้งกิจที่ควรทำแต่กลับทำกิจที่ไม่ควรทำอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ถือตัวจัดมัวแต่ประมาท ส่วนภิกษุเหล่าใดมีสติตั้งมั่นในกายเป็นนิดภิกษุเหล่านั้นมันทำความเพียรในกิจที่ควรทำไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำอาสะวะทั้งหลายของเธอผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมถึงการสูญสิ้นไป 4. ละกุณณตกะพัตติยะวัตถุเรื่องพระละกุณณตกะพัตติยะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่ากษัตริย์ธิราชทั้งสองพระองค์ได้ฆ่าชาวแว่งแคว้นพร้อมเจ้าพนักงานแล้วดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์บุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่ากษัตริย์ธิราชทั้งสองพระองค์ได้ทำลายทางเสือผ่านที่ห้าได้ ดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์ 5. ทารุสากติกะวัตถุ 5. ทารุสากติกะวัตถุเรื่องในทารุสากติกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระราชาและในทารุสากติกะพร้อมครอบครัวดังนี้แล้วพระสาวกของพระโคดม มีสติตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอเหล่าพระสาวกของพระโคดมมีสติตั้งมั่นในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอ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 ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ 6. วัชีปุตตกะพิกขุวัตุเรื่องภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีดังนี้การบวชเป็นของยากความยินดีในการบาเพ็ญธรรมก็เป็นของยากเรือนที่ครอบครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์ การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์การเดินทางไกลก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามได้ 7. จิตตคหปติวัตุุเรื่องจิตตคหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระอานอนเทเถระดังนี้คนมีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีล พี่พร้อมด้วยยศและโภคทรัพย์จะไปสู่ถิ่นใดๆย่อมได้รับการบูชาในถิ่นนั้นๆ 8. จุลสุภัทธาวัตถุเรื่องนางจุลสุภัทราพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บริสัท4สดังนี้สัตว์ปุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมพานฉะนั้นสัตว์ปุรุษทั้งหลายณที่นี้ย่อมไม่ปรากฏ เหมือนลูกศรที่ยิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้น 9. เอกวิหาริเทรวัตถุเรื่องพระเทระผู้อยู่รูปเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุ พ, พึงยินดีการนั่งผู้เดียวการนอนผู้เดียวไม่เกียจคร้านเที่ยวไปตามลําพังฝึกฝนอยู่ผู้เดียวและยินดีการอยู่ป่า ปะกินนักะากาคที่21จบ